ศาสาธุการณะในท่านสาธาชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องสังวาสสูตรคือสูตรที่ว่าโดยหลักการอยู่ร่วมกันทรงจำแนก แ, แสดงไว้สองสูตรต่อกันเรียกชื่อสูตรแรกว่าปัตมะสังวาสสูตรสูตรที่สอ ง, สสงวัตถุญาสะสังวาสสูตร กำมาความว่าประสูตรที่ว่าด้วยหลักการอยู่ร่วมกันสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองประสูตรแรกนั้นก็ปรารฏเหตุคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางเมืองมัทุรากับเมืองเวรัญชาต่อกันแล้วไปพักอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง พวกชาวบ้านแถบนั้นทราบข่าวการเสด็จของพระพุทธเจ้าก็มาเฝ้าพระเจ้าทรงประลบการมาเฝ้าของคนหล่นนั้นแต่พื้นฐานของผู้ที่มาเฝ้าก็ทรงแสดงถึงประเภทของคนที่อยู่ครองเรือนให้ฟังแยกออกเป็นสี่ประเภทด้วยกันรับสั่งเป็นใจความว่าดูก่อน ทามและเรือบดีทั้งหลายคู่สามีปัญญาในโลกนี้มีเป็นสี่คู่คือหนึ่ ง, ช า, ง, งชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีสองชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทพธิดาสามหญิงผีอยู่ร่วมกับชายเทพบุตรแล้วก็สี่ชายเทพบุตรอยู่ร่วมกับหญิงเทพธิดา ก็เป็นธรรมะในแนวแสดงอุปมาเทียงเคียงเป็นการสะท้อนสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกนะครับไม่ใชพ่พระเจ้าไปสร้างขึ้นมาเกาะกลุ่มหลักการคลองเรือนเอาไปเป็นสี่กลุ่มเกณฑ์กำหนดความเป็นความเป็นผีความเป็นเทวดาความเป็นเทพปะปุตรเนี่ยการกำหนดความเป็นผีเรากำหนดด้วย การขาดคุณธรรมแต่คุณธรรมที่ที่นำมาแสดงในที่นี้เป็นคุณธรรมซ้ากันสองสูตรนะซ้ากันงสองสูตรแล้วก็มีต่างกันนิดหน่อยประสูตรแรกนั้นทรงแสดงคุณลักษณะของความเป็นผีไว้ว่าเป็นคนกระทาปานาธิบาตคือจงเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามมัะ น, นะฮะ แล้วก็เตือทรัพย์สินที่สิ่งของอที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้กาเมสุิมชาจารย์พูดเทศแล้วก็ดื่มสุราก็หมายความว่าขาดสินทั้งห้าประการนั่นเองเราพบเรื่องเรื่องหนูเนี่ยซ้ำๆซากๆเยอะไปหมดอะคือไม่ใช่นำมาบรรยายซ้ำนะฮะพระพุทธเจ้าเทศซ้ำเองเ อ, งอะ่ะก็ มือองค์แสดงว่ายังไงเราก็นํามันแสดงอย่างนั้นทั้นี้เป็นเพราะอะไรเพราะถ้าเรามองความจริงแล้วนี่ปัญหาต่างๆในโลกตั้งแต่โลกมีคนมาเนี่ยนะมันก็มีปัญหาอยู่สีเรื่องใ ห, ใหญ่ๆท่านี้เองนอกานั้นมันจะเป็นที่มาของปัญหาเหล่านี้หมายความว่าเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานทางความคิดแล้วก็แสดงออกมาในรูปพฤติกรรมที่กระทบต่อชีวิตกระทบต่อทรัพย์กระทบต่อคู่ครองกระทบต่อ ก, ตการรับฟังข้อมูลข่าวสาร แล้วก็เป็นรูพรรคดานให้เกิดการขาดสติสมัญญะก็ น, นั้นนะ่ะก็ปัญหามันก็มีเท่านั้นเองก็ส่งมองไปที่จุดย่อยที่สุดคือครอบครัวแล้วในข้อต่อไปก็ส่งแสดงว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจถูกกลุ่มรุมด้วยมนทินคือความสนีอยู่ครอบครองเรือนมีปกติดาว่าสมณะชีพรามทั้งหลาย อันนี้คือข้อคือข้อที่ที่เหมือนกันอันสองสูตรตรงนี้แต่เหมือนกันอันสองสูตรถ้าสูตรที่สองเป็นการกระจายออกไปหมายความว่าสีส่ข้อแรกแต่ข้อที่สี่ขยายออกไปเป็นสี่ก็รวมเป็นแปด น, นะครหมายความว่าเป็นผู้ทำปาณาธิบาตอตินนาทานกาเมตสุมิชาจารย์พูดเทศผู้โสเสียดผู้คํายาบ เดีพูดเพื่อเจิดเดี๋ยไหแล้วก็มีใจถูกกลุ่มหลุมด้วยความสนิทอีกนะฮะมีใจถูกกลุ่มหลุมด้วยความสนิทอยู่ครอบครองเรือนมีปกติชอบดาว่าสสันธชีพราบอันนั้นก็คือพวกพวกเป็นผีทั้งทั้ ง, ท, งทั้งผีผู้หญิงผีผู้ชายหมายความว่าเป็นคนแต่ว่าพฤติกรรมเป็นผีแสดงออกมาทางจิตคือคิดแบบผีแล้วพูดแบบผีก็ทําแบบผี เพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้จะมีการเบียดเบียนนะมีการเบียดเบียนประทุษร้ายทั้งตนเองและบุคคลอื่นประเด็นสำคัญนะฮะท่านตั้งหลายเจนว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ที่พื้นจิตที่ส่งใช้คำว่า